ในชมคู่ธรรมะเราจะพูดถึงเรื่องของการๆเนี่ยมันๆเนี่ยมันๆเนี่ย เนี่ยตรงตรงนี้ที่เราพูดถึงว่าเห็นตามที่เป็นจริง <ๆ. S 1> ที่เราได้ดูๆกันคุยๆกันเนี่ยบางคนก็มีความเข้าใจไปอีกแบบนึงนะท่านผู้ฟังคือหมายความว่าเค้ามีความเข้าใจว่านั่งไปนี้ต้องเห็นเอ่อนรกสวรรค์ เอาขามาทับกันนะไขว้กันแล้วก็หลับทั้ง 2 แบบ 1 เนี่ยสามารถ เห็นตามที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธินะครับท่าน น่ะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งตอนเช้าตอนเย็นอันนั้นก็ทําโดยก็ดีดีมากเลยในระหว่างวันเราก็ไม่เว้นและธรรมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเครียดครัตนั่ง โดยยับคายคือหมายความว่าเราต้องหาจุดที่ให้สมดุลแห่งธรรมนั่นคือปรารภความเพียรอย่างพอดีไม่ใช่เครียดคลัดเกรง ทีเค้าเรามีสติเนี่ยแล้วเราของลมหายใจบ้างเห็นการเกิดดับเห็นการเปลี่ยนแปลงของไอ้เจ้าต่างๆบ้างทีนี้เอ่อตอนที่เราบอก เราจะเห็นการเกิดดับได้อย่างไรจะเห็นการเกิดดับได้อย่างไรหรือเวลาเราไม่ได้นั่งกระดาษเราไป เอ่อจะมาพูดกันได้ว่าโอ้ฉันเห็นเกิดเห็นดับแล้วนะมันจริงๆมันก็ไม่ได้ยาก โกรธเกิดขึ้นมีความไม่ว่ามันเกิดขึ้นใจมีความง่วงเกิดขึ้นปึ๊บเนี่ยเราต้อง แต่เรายังไม่เปิดนะแต่เค้ายังไม่เข้ามา นะแต่ว่าอย่าให้มันมากลุ่มรุมตั้งอยู่ครอบงําจิตๆอันนั้นคุณรู้สึกร้อนๆเนี่ยเพราะมันอยู่แต่ สำหรับคนที่เคยทํามาสามารถแยกเห็นว่าอ๋อจิตของฉันอันหนึ่งไอ้อารมณ์จริงๆไม่ได้มี เหมือนเรานอนอยู่ประตูบ้านเราเปิดอ้าล่าไว้เลยนะนะนะนะนะ 6 นะทางเข้าออกเนี่ยต้องมีประตู เพราะฉะนั้นเข้ามาปุ้ยปุยมทําอันตรายเราได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าละเราโกรธละเราจริงละเอ่อแสดงว่าประตูเนี่ยแล้วมันก็บุกเข้ามา ความโกรธมาเคาะโป้งๆเราก็ไม่เกิดให้ตรงตาขมวดคิ้วนะแดงนั่นนั่น นราสะเมงอ่ะๆๆเดี๋ยวนึกได้นึกได้เฮ้ยไล่ๆมันออกไปไล่ไว้นั้นก็ไว้ใจนะพยายามที่จะรู้ลงไว้ใจรู้ลงไว้ใจนะให้จิตของเรามีสตินะ ท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ มันเกิดขึ้นมาทำลายจิตของเรามันครละอันกันกับตัวเราง่วงด้วยเหมือนกันก็มัน ที่เค้าไปติด 10 20 ปีแล้วนะแกะไม่ออกตัณหานี่มันติดยิ่งกว่านั้นอีกหรือว่าคนรัก มันยังติดกันได้ข้ามเราจะไม่ให้จิตของเราไปขนาดนั้นภรรยาตายไปแล้วสามีมันติดกันขนาด ต้องตัดนะตัดไอ้ยางเหนียวขูดออกลอกนะทําให้มันแห้งถ้ามันยังชื้นอยู่เปียกอยู่มันเหนียวแน่นอนนะทําให้มัน แล้วชี้ขึ้นมาปี้ขึ้นมากลิกขึ้นมาง่วงขึ้นๆนะมันบุกเข้า การไอ้พวกที่มันจะเข้ามาขโมยของทําความปั่นป่วนใน เขาจะบุกมาทางไหนเราก็ไม่รู้เลยเขาจะบุกมาทางไหนเราก็ไม่รู้เลยเช่นเดียวกันเราต้องมี นะถ้าจิตเรายังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันติดหนึบตึ๊บทันค่อยๆทําไป จากวัดป่าดอน